ขอความเจริญในธรรมจงมีแ้่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงประโพธยาณกำลังนำเสนอสมาสติคือการตั้งสติระลึกในทางที่ชอบเยวก็นำมาขยายเต็มรูปตามโครงสร้างของมหาสติปัฏฐานสุดโดยทรงจาแน่แสดงในเรื่องกายมาตามลำดับ ในข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของเวทนาก็คือเวทนาขันได แ, แก่ความสวยอารมณ์ก็คือการกินอารมณ์นั่นเองที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วเราก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของเวทนาแต่าตามปกติแล้วเราก็ปรารถนาสุขเวทนา แต่ร่างกายนั้นมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นกองทุกข์มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จนถึงเมื่อเรามองจากสายตาของพระอรหันต์ท่านบอกว่ามันเป็นกองทุกข์ล้วนๆรือทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกเกี่ยวกทุกข์ไม่มีอะไรดับแต่เราก็ได้ดนขวนขวายเพื่อแสวงหาความทุกข์ ความสุขกันในระดับต่างๆพระแนวธรรมะที่แสดงแนวโลกียธรรมเนี่ยก็ เ, เป็นการพูดถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปโดยลําดับจะนอนเรียงขึ้นไปเป็นชั้นต่างๆนะเป็นภพแล้วแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆทึ้งสามสิบเอ็ดชั้นแล้วก็เป็นชั้นแห่งสุกเวทนา ที่มีความหยาบกลางละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามปกติเราก็นับจากมนุษย์ต้นต้นไปพอพวกอ บ, บายสี่เนี่ยังไงก็มีแต่ทุกขเวทนาที่ชัดเจนมากแต่ค่อาเราก็มีส่วนบรรเทาบ้างนะคคือความทุกข์มันลดลงบ้างเราก็ได้เรียกว่าความสุขทั้งๆไปในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสุข ในระดับโลกิธธรรมเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ความทุกข์ที่ลดลงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับความเย็นในโลกไม่มีอ่ะมันมีแต่ความรอ้อนผลความเย็นที่ปรากฏเราก็ถือความร้อนที่มันลดลงแม้แต่เลยจุดเยือกแข็งไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นความร้อนลดเพราะเมื่อกล่าวด้เบทนาเขาก็มีลักษณะอย่างนั้น เวทนาความสวยอารมณ์ที่เราค่อนข้างชัดเนี่ยก็คือสุขทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าทุกขกรรมสุขแต่ในที่นี้เป็นการฝึกปลือสติสัมจั ญ, ญญาความเพียรตามหลักการสําคัญพระเจ้าทรงจําแนกเวทนาออกไปเป็นเก้าคือเวทนาเราอาจจะพบหนึ่งก็ได้น่า จ, จะพบสองก็ได้สามก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้ เรียงเป็นเก้าก็ได้เลียงสิบแปดก็ได้สามสิบหกก็ได้ร้อยแปดก็ได้ก็แล้วแต่จะนับขนาดไหนคือถ้าเวทนาสองก็เน้นที่สุขทุกเวทนาสามก็สุขทุกไม่ทุกไม่สุขเวทนาห้าก็คือสุขหมายถึงสุขกายทุกหมายถึงทุกกายสุขหมายถึงสุขกายนะฮะสมนัตหมายถึงสุขใจ เราทุกข์หมายถึงทุกกายทุกมนัตหมายถึงทุกใจแล้วกูเบกขาคือวังเฉยไม่ถึงกส็สุขสุขไม่ถึงก็ทุกข์แเวทนาหกนี้ท่านจะนับตามประสาทสัมผัสคือไม่ไปบอกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ว่ามันอาจจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้เพราะว่าพูดถึงเหตุมัน เขเรียกว่าจากขูสัมผัสชาวเวทนาความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยในกรณีเนี้ยอาจจะสุกก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุ ก, ก็ได้แล้วก็เรื่อยไปตามประสาสัมผัสก็กลายเป็นเวทนาหกเรียกว่าจากขูดสัมผัสชาวเวทนาโสตสัมผัสชาวเวทนาก็เรื่อยไปนะฮะจนถึงใจเรียกว่ามโนสัมผัสชาวเวทนา ความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเพราะโสตสัมผัสเพราะขานะสัมผัสจิวหาสัมผัสขยัสัมผัสดัมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแต่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์มันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนา น, นั้นหรอกมันก็ขึ้นกับความรู้สึกของเราเราประเมินค่ามันอย่างไงเราให้ความส้องขันมันอย่างไรหรือว่าเราไม่ให้ความต้องขันแก่มันเราก็จึงสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ย มันไม่แน่ว่าจะเกิดความรู้สึกเหมือนกันเช่นอาหารอร่อยเนี่ยมันก็ไม่สากลคือไม่อร่อยเหมือนกันกลิ่นหอมก็ไม่ชอบสากลคือไม่หอมเหมือนกันรูปสวยก็ไม่มีสากลนะพวกนี้จริงๆมันไม่มีโดยธรรมชาติเข้ามาเพียงแต่ว่าจิตมันปรุงแต่งคือปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาก็ในความรู้สึกของตัวเองก็กลายเป็นอุปาทานทยึดติดว่าสวยไม่สวยหอไม่หอ รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องในขณะที่คนพวกหนึ่งกำหนดอยู่อย่างนี้คนพวกหนึ่งเขาจะรู้สึกรังเกียดที่ไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับอา ร, รมณ์เหล่านั้นไหนใกล้ๆกรับตัวเวลาเนี้ยที่กำลังพูดถึงแหล่งเริงรมังหลายแหล่ใบมุกทั้งหลายเนี้ยถ้าเรามองถึงปริมาณคนที่เข้าไปอยู่ในจงสถานที่นั้นมันก็มีไม่มากหรอก คนส่วนใหญ่เขก็ไม่เข้าไปมัวสุมอยู่ในสถานที่นั้นพนไปสถานที่นั้นเขาอาจจะรู้สึกเขาเป็นสุขหรือสนุกนะฮะที่จริงก็สนุกคือไม่จะสุขหรก็พระมันเป็นมีเยื่อล่อมีผลประโยชน์ต่างๆมากมายแล้วคล้ายๆกับสภาพจิตเองก็ถูกบอมเม่าด้วยสิ่งมึนเมาการมีนิใหญ่ตัดสินจึงเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ขาดการใช่เหตุผลขาดใช้สติปัญญาควบคุม แต่พาดติปรากฏตังสื่อนะ่ะเรามองและเราสงสารโ ด, เ ส, ดเสียดายเสีด้เด็กแล้วก็สงสารเขาว่าทําไมอายุเขาเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันแล้วก็ยังไม่ได้ชดใช้อะไรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ชีวิตซึ่งกํำลังเจริญนะวัยหนุ่มสาวนี่เป็นชีวิตที่กําลังเจริญก็ยังอยู่ในโลกนี้อีกนานแต่ว่าทําให้ตกต่ำเสื่อมถอยไปนั่นก็แสดงว่าเขารู้สึกเขามีความสุขเขา แต่ว่าในการประเมินค่าเนี่ยมันก็อย่างนิทานที่เขาเล่าเรื่องสหายสองคนคนหนึ่งทําความดีไว้มากคนหนึ่งทําความชั่วไว้มากพอตายไปคนหนึ่งก็เป็นเทวดาคนหนึ่งก็เป็นนอนอยู่ในสุม้มเพื่อนที่เป็นเทวดาก็อาศัยความผูกพันกันในชาติก่อนอุรตรวจศบดูว่าเพื่อนไปอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ใน ในฐานวัดนะฮะในส่วมของพระคือส่วมสมัยโบราณเนะี่ยมันก็ส่วมเปิดนะฮะเปิดก็ไม่ได้เหมือนที่ปัจจุบันอันนี้ก็มาก็ติดต่อกันด้วยอานาจของเทวดาก็พูดสื่อสารกันได้แล้วก็ชวนไปเกิดอยู่สวรรค์เทวดาก็นอนก็ถามมนสวรรค์เนี่ยมันเดียงไง พระเทวดาอธิบายเนี่ยมีอาหารทิพตมีสาวสรนกำนันในมีบริวารมากมายกายกองอะไรอทั้งหมดเนี่ยนอนงันแกนดีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยแต่มีมากกว่าเทวดาต้องดีน้ำมิดแกไม่ต้องดีน้ำมิดถึงเวลาคนก็เอามาให้หรือเฟืออาหารการกินเนี่ยเป็นทิพตแกก็คิดว่าเป็นทิพตของแกเหมือนกันกกนะที่โบราณเขามักจะนํามาเล่าคือให้เห็นว่า การกําหนดค่าของอารมณ์ในโลกเนี่ยที่จริงมันใจเราไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองในขณะที่เราว่าสวยคนเป็นมากว่าไม่สวยคนรู้สึกเฉยเฉการฟังเสียงบางอย่างคนรู้สึกเป็นสุขคนรู้สึกเป็นทุกข์คนรู้สึกเฉยเฉยเวทนาจึงเป็นเรื่องของการกําหนดอารมณ์เอาดังนั้นท่านจึงบอกว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจาัตุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัย หมายความว่าการเห็นรูปทางตาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งการปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็ผ่านกระบวนการทางประสาทสัมผัสแต่ตามปกติก่อนจะชอบหรือไม่ชอบนั้นที่จริงเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ก่อนนะครับทุกสิ่งที่เราสัมผัสเราจะเกิดอวิชาก่อนถ้าเป็นคราวแรกเราจะเกิดอวิชาแต่ว่าพอเรารู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดชอบหรือไม่ชอบ มันก็กลายเป็นส่วนชอบก็กลายเป็นสุขส่วนไม่ชอบก็กลายเป็นทุกข์แต่ลองสังเกตว่าบางอย่างที่เราเคยชอบก็กลับไม่ชอบบางอย่างที่เราไม่ชอบก็กลับชอบก็แสดงว่าสุขทุกข์จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายึดถือเอาเพราะเวทนาในแง่ของทุกขเวทนาในแง่ของทุกขเวทนาสุขเวทนามัน จ, จึงเกิดขึ้นมาจากความพอใจหรือไม่พอใจ จิตมันปรุงยังไงจิตประเมินค่ายังไงในขณะที่คนหนึ่งกินอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเดดอร่อยอีกคนหนึ่งรู้สึกขยะข ย, ง อ, ยงอีกคนหนึ่งก็ประืฤนใจกินไปได้แต่ไม่รู้สึกอร่อยเป็นต้นมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าไในพื้นฐานในด้านจิตใจของคนการเกี่ยวข้องการเสพิมคุณกับเรื่องเหล่านั้นการให้ความสำคัญ ก, กับเรื่องเหล่านั้นเราลองสังเกตว่ารูปสวยนี่มีสากลไหม เสียงไปร้อนนี่มีสากลไหมกลิ่นหอมมีสากลไหมรส อ, อร่อยสากลไหมัมผัดที่บอหน้าจับหน้าต้องเนี่ยมันมันมีเป็นสากลหรือเปล่าเพราะคนทุกคนชอบเหมือนกันเลยไม่มีสแสดงว่าเป็นเรื่องอาการของจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาผู้เหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นเพียงมายาอย่างหนึน่งท่านนั่นเองแต่ว่าเมื่อเราไปให้ความต้องการแก่มันมันก็มีอิทธิพลเหนือใจเรา แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นความสุขความทุกข์ไอ้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็สร้างมันขึ้นมาเองดังนั้นในที่เนี้ทรงจําแนกสแสดงไว้เป็นเวทนาตั้งเก้านะฮะเวทนาเก้าในแง่ที่จริงแล้วก็คือเวทนาสามนั่นเองแต่ขายายขึ้นไปคือมหมายความว่าเช่นเป็นสุขเนี่ยสุขเฉยๆสุขที่เจอโดยอมิตรสุขที่ไม่เจืออมิตรก็รวมเป็นสามพอทุกข์ก็ทุกข์เฉยๆ ทุกที่เจอโดยอมิตรทุกที่ไม่เจอโดยอมิตรแล้วก็ทุก์ที่เฉยเฉยก็กลายเป็นสามอีกความทุกขมาสุขก็เหมือนกันเหยื่อทุกขมาสุขเฉยเฉแล้วทุกขมาสุขที่เจอโดยอมิตรทุกขมาสุขที่ไม่เจอโดยอมิตรรวมแล้วก็เป็นเก้าเป็นเวทนาเก้าทีนี้คําว่าอมิตรเนี่ยแปลว่าเหยื่อไปว่าเหยื่อล่อหมายความว่ารูปสวยสวยแล้วเกิดสุขเวทนาความเสียงไปร่อแล้วเกิดสุขเวทนา ดมกลิ่นหอมๆเมื่อเกิดสุขเวทนาสัมผัสรส อ, อร่อยเกิดสุขเวทนาจับต้องสิ่งที่ตนพอใจก็เกิดสุขเวทนานึกเ mm hmm. บิกบาน mm hmm. ชื่นซื้นสดใสต่ออารมณ์บางประการก็เกิดสุขเวทนาแต่บางทีมันเป็นประลบพวกนิพพานนะคือไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิเลสเหล่านั้นเที่งความสุขในพวกสมาธิในฌานโดยเฉพาะความสุขของพร ะ, ะบุคคลเนี่ย มันความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องแต่แม้เราเองบางครั้งเราก็สัมผัสนะะบางครั้งก็สัมผัสได้แต่ว่ายังอ่อนๆนะคือบางทีก็ไม่ได้ประลบกิเลสอะไรแต่ว่าสภาวะเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นมันก็ขอให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาทีนี้แนวการพิจารณาเนี่ยแนวการพิจารณาก็คือดูเท่าที่มันปรากฏในขณะนั้นทานองคล้ายๆกับกกดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกัน คือดูการเคลื่อนไหวของกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเคยรู้ตามตามที่มันเป็นจริงปรากฏในขณะนั้นดูชั้นแรกก็มุ่งไปที่ความสมุบคือไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณานะใช้สติระลึกใช้ปัญญากำกับตัวสติแล้วก็ใช้ความเพียรเป็นพลังกับเคลื่อนเหมือนกันเพียงแต่ว่าไปการเพ่งดู เพียดูเช่นเราตามดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็ตามดูไปถ้ายใจเข้าเราก็ตามดูไปถ้าจะออกก็ตามดูไปหรือเหมือนกับแม้แต่การดูกีฬาอะไรแต่หลายที่เขาแสดงนะฮะเช่วาตีอะไรแบดมินตันเน่ยตีกันคนละฝ่ายเนี่ยตาเราก็สายตามไปนะฮะเวลาลูกมันไปก็สายตามไปหรือว่าดูฟุตบอลดูการกีฬาเนี่ยตามก็สายตามไปแต่ว่าการดูของเราเนี่ยมันมันเกิดกิเลสคือหมายความมาอยากให้พวกตัวเองชนะ แล้วก็ต้องการในฝ่ายอื่นแพ้ร้อนใจมันก็เต้นผิดปกติใจเต้นผิดจังหวะไม่ใช่เป็นอารมณ์ว่างกรรมฐานนะฮะแต่ว่าแนวจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางชีเนี่เราก็เคลิบเคลมนะไปดูสิ่งเหล่านั้นเราเคลิบเคลิ้มกลายเป็นจิตมันอยู่กับตัวจงเหล่านั้นตาก็สายไปถ้าหากว่ามีการจับภาพคนที่เขาดูการเล่นกีฬาหรือการต่อยมวยหรือกีฬาอะไรก็ตามนะฮะ ที่จริงคนที่ดูเนี่ยน่าดูกว่าคนที่ก็เล่นกันเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ก็เล่นกันนั้นมันเป็นเกมกีฬาทั้งเแต่คนที่ดูนั้นเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาต้องการเอาชนะต้องการจะตบมือต้องการจะสะใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งแพ้เนี่ยยังไม่ส ง, งบแต่ว่าลักษณะการตามดูเนี่ยคล้ายๆกัน คือหมายความว่าตรงนี้ตามดูเวทนาเท่าที่มันปรากฏปรากฏอย่างไงก็ดูไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสุกก็ดูว่าสุขทุกก็ดูว่าทุกทุกกรมสุกก็ดูว่าทุกกมสุข ก, ก็แล้วแต่เพิ่งก็ทรงทรงแสดงไว้ว่าพิจารณาเห็นเวทนาพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะพิจารณาดูเวทนาต่างๆที่ปรากฏะว่าภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งๆ อ, อยู่พิสูจในธรรมในนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกเวทนาเมื่อเสวยอทุกกรมสุขเวทนาคือไม่ทุกไม่สุขก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกกรมสุขเวทนาหรือเมื่อเสวยสุขเวทนามีอา mith คือเจือด้วยกรรมคุณอย่างที่ว่าไว้เนี่ย รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือโดยอมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรคือไม่เจือโดยกรรมกุณลแต่ประลบความสงบประลบนิพพานก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรเมื่อเสวยทุกเวทนามีอมิตรนะฮะก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกเวทนาที่เบอมิตรคือคืออย่างเนี้ยเออการจํำคงจะยากอ่ะมันไม่จําเป็นต้องจำนะายความว่าตัวเราเองเราดูที่ปัจจุบัน แต่ว่าดูให้ถึงหลายหลายตัวที่มาของสุขหรือทุกข์ตรงเนี้ยมันมีเหยื่ยลอล่อหรือเปล่าเดียวามาได้ยังไงจะสุขก็ตามจะทุกกะตามหรือไม่จะทุกไม่จะสุกกะตามเนี่ยมันมีเจืออมิตรหรือไม่เจืออมิตรแต่ทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยการจะแยกระหว่างอมิดไม่อมิดเนี่ยมันแรกยากยากนะะมันต้องมีสติสัมปญญาที่แหลมคมมาก เพื่อ ง, ง่ายสะดวกก็ดูเวทนาที่ปรากฏ ก, ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาการของสุขของทุกข์อุทุกรรมสุขเนี่ยดยเฉพาะอย่างนี้ไปก่อนพาสามารถเพิ่มพูนสติสัมจัญญาขึ้นมาได้แหลมคมก็ค่อยว่ากันคือบางทีเราก็พูดจากตำหนับตำนาหลักฐานตา่างๆเนี่ยพูดได้นะแต่ว่าจริงๆเราก็ดูไม่เห็นเหมือนกันรู้ไม่ทันนะดูไม่ทันเพราะว่าเวทนาที่ปรากฏเนี่ยเขาไม่อยู่นาน เขาจะเปลี่ยนแปลงแปลผันไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างประเดียวประดาวแต่ถ้าเทียบกับกายแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ช้ากว่ากายเราจะจ ะ, จะเห็นว่าสุขเวทนาหรือทุกเวทนานจะอยู่ไม่ทนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแปลป่วนไปเรื่อยๆไอ้อตรงเนี้เป็นเหตุให้สะสมปัญญาคือสัมปชัญญะเข้าซึมซับเขาเห็นเออเวทนาเนี่ยมันเอานิยาอะไรไม่ได้เหมือนกัน สุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างเมียมิดบ้างไม่เมียมิดบ้า ง, างแล้วก็เปลี่ยนไปไม่คงที่เลยความเบืเอียงทางจิตเนี่ยมันจะเดินเข้าไปสู่ไตรลักษณ์ก็อย่างความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาเนะี่ยก็สิ่งเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเราพิจารณาชัดเจนไปเรื่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ทําเห็นวันตรงวันเราก็ดูยากนะถะาลองสังเกตดูก็ดูยาก ถ้าก็ยามดูไปเรื่อยๆดูเวทนาตามที่มันปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆเอามันชัดๆหเห็นตามมันชัดแล้วก็ตามดูเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตลอดเช่นเรานั่งนานๆเนี่ยเราอาจจะเอ่อตอนนั่งใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกเป็นสุขพอนั่งนานๆขึ้นรู้สึกสุขมันลดลงไปไปถึงจุดหนึ่งทุกมันก็เพิ่มขึ้น อย่างนี้เคยไปตอบไปอบรมเด็กในที่ต่างๆเนี่ยเราจะเปิดได้โอกาสได้ถามปัญหาคือไม่น่าเชื่อบางทีเด็กว่าเด็กประถมนี่ก็ยังเมื่อยนะนั้นก็แสดงว่าอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการปกติเด็กเล็กๆมันก็ยังเมื่อยนะในคันแกคงแกเมื่อยเดี๋ยวทาไปก็ไม่เคยถามหมอว่าเด็กอยู่ในคันเนี่ยปวดเมื่อยหรือเปล่าคงจะเมื่อ ย, อยนะนั่นก็แสดงว่ามีทุกขเวทนาแต่บางทีแกก็สุขพอเกิดสุ ข, ขเวทนา แต่ว่าขนาดนั้นเราก็แยกไม่ออกห่ือว่าเจออมิตรหรือไม่เจออมิตรแต่ก็พยายามดูไปเรื่อยๆนะะดูไปเรื่อยๆก็อย่างเนี้ทําไปก็ชื่อว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาพอจากนั้นขึ้นไปเนี่ยมันก็จะคือคือคือใจบังคว้าวก่อนมนุษย์เนี่ยใจบังคว้าวก่อนนะ้าคว้าเวทนาเอ้ยเป็นอย่างนี้เป็นเป็นคนจนไม่ไม่สุขเลย อยากจะเป็นคนรวยเอ้รวยอย่างนี้ไม่สุขแล้วก็อยากรวยคว้าไปเรื่อยๆนะฮะก็อยากเป็นไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ต้องการสุกระดับมนุษย์ออยากจะได้สุกระดับเทวดาพอเทวดาก็เทวดาก็เทวดามาเทียบเคียงกันเออเทวดาชันน้มันสุกว่าก็เท่เทียบเคียงไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ที่ไปจ ะ, ะสุขเนี่ยมันก็เรียงขึ้นไปจากข้างบน อย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไปมีเทพเจ้าสามสิบสามองค์เกิดขึ้นมาก่อนชั้นยามนั้นเป็นที่สถิตของเท้าสุยามชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของเท้าสันตุสิตพวกนิมมารดีพวกนี้จะทําอะไรเนี่ยอมันเกิดทิพย์กยะกาหารนะต้องตรงนี้ระมิดขึ้นนะแต่นิมมาดีเนี่ยยินดีด้วยการระมิดต้องการอะไรก็นีรไม่เอาแต่พอถึงปริเมิตตรวัตสวัสดีเนี่ย ต้องการอะไรเนี่ยพอจะคิดมีคนก็จะๆๆให้นิมนิดให้เละมันสบายจนใ ก, กล้ๆกับไม่ต้องทำอะไรยังนึกถึงโลกเี่ยมันมีจินนานการใกล้ๆสวรรค์นะนะลองสังเกต น, นะเวลา น, นี้เรื่องรีรโมทเนี่ยมันจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคนเยอะแล้วยังนึกว่าการเคลื่อนไหวเรียบบทของคนเนี่ยจะล้นน้อยลงนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือสบายเกินไป แต่งกายไม่ได้เคลื่อนไหวนะปิดประตูก็ใช้รีโมทเปิดประตูก็ใช้รีโมทจะทําอะไรก็รีโมทหมดเลยมันก็มีอิบอนั่งกัอบอิบอดนอนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรในสุดแล้วก็จะทุกเพราะนั่งนานนอนนานเ น, นีนน่ยกจ็จะเกิดจะเกิดทุกข์ขึ้นมามันหลีกเลี่ยงความเป็นทุกข์ไปไม่ได้ดังนั้นท่านท่านก็พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกบ้าง ยนาเห็นเวทนาในเวทนาน่ะเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างโดยอยาบๆก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นแกเราเวทนาที่เกิดขึ้นแกคนอื่นนะโดยละเอียดลงมาก็คือเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นกับเวทนาที่ผ่านไปแล้วหรือเวทนาที่ยังไม่ปรากฏมันก็มีแค่นี้มีสุขมีทุกข์มีไม่ทุกข์ไม่สุขส่วนรายละเอียดก็ว่ากันไป หนาวอมิตรไม่อามิตรเข้ามาเนี่ยแต่ตัวเวทนาก็มีท่านั้นเองในสุดจะไปสูงส่งอย่างไงก็ตามนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็กลายเป็นยกเวทนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแต่การพิจนารณาเนะี่ยก็แล้วแต่นะ คือบางครั้งก็มองว่าเวทนาก็สักไปเวทนาไม่ไม่ปรุงคิดคิดปรุงว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเรามีในเวทนาเวทนามีในเราเนี่ยไม่เอาเราเข้าไปผูกพันกับเวทนาเราก็ไม่เดือดร้อนกับเวทนาเราท่านให้เราสังเกตอะเช่นว่าคนที่เรารู้สึกเฉยเยแล้วก็ถูกจับตํำรวจจับแล้วก็ศาลตัดสินจับคุกแต่ในที่สุดเนี่ยเราเองไม่รู้สึกยินดียินได้เลย เพราะอะไรเพราะเราไม่เอาเราเข้าไปจับไม่ได้ผูดว่าญาติเราหรือพูดว่าศัตรูเราถ้าศัตรูเราเราก็เกิดสะใจดีมันดีเดี๋ยวปีใจเกิดเป็นญาติเราเนี่ยเราจะทุกข์ใจแต่พอเราไม่เอาเราไปผูกเข้าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงติดคู่อยู่นั่นแหละแต่จิตใจเราไม่ได้แปรผันไปเพราะมันก็สักแต่ว่าเวทนามันสักแต่ว่าเวทนาได้เนี่ยเห็นไหมพอเกิดแก่คนอื่นเราคิดได้ เวทนาเกิดแก่คนอื่นเราบอกเออสักแต่ว่าเวทนาแต่แล้วพอเกิดแก่เราเนี่ยเอรา เ, เราก็าไปบวกลึกแก่ญาติของเราเร า, เราเราก็ไปบวกลึญาติของเราหรือว่าศัตรูของเราเห็นไหมจิตใจเราจะแปลผันไปเพราะจิตเราไปกําหนดกําหนดด้วยความกําหนัดบ้างด้วยความโลภ บ, บ, บ้างด้วยความขัดเคืองบ้างด้วยความไร้เหตุผลไร้สติปัญญาบ้างทําให้ความรู้สึกนิคิดของเราต่อเวทนาเนี่ยมันแปลผันไปเลยจิตที่กําหนด แต่ถ้ามองมีความชัดเจนแล้วก็จะไม่หลงยึดติดอยู่ในเวทนาตรงนั้นทั้งฟังทังหลายใต้ร่ประภติยานในวันนี้ขอยุดติไว้โดยเวลาเปงนกำเนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามภัยบูตรในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี